รมรส ก, การพระกุณเจ้าพิสุณีที่กรลบแล้วก็สวัสดีเพื่อนนักปฏิบททัติทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันที่หกเป็ ว, วันที่อีกวาระหนึ่งที่ผมจะได้มีโอกาสมาทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกับทุกๆ ท, ท่านวันนี้ดูเพื่อนของเราหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะมันมีความรู้สึกว่า รอยยิ้มเยอะเหลือเกิน น, นี้ต่างกับวันแรกมันเห็นการเปลี่ยนแปลงวันตะวันเลยนะมีหลายท่าน<ม>นะดูหน้าตาแจ่มใสนะดูในในดวงตามีประกายนะดูจะจะมีความสุขมากขึ้นกับวันที่ผ่านมาถ้ารู้สึกมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่า คิดว่าความสุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องการปรับตัวหรือการปฏิบัติตัวของเราเองแหละ ร, รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจถ้ารู้สึกบางไม้มว่าบรรยากาศวันเนี้ยรู้สึกว่าในศาลาเนี่ยมันจะเย็นขึ้นเย็นขึ้นกว่าก่อนหรือว่า มันเป็นวันที่หกของการปฏิบัติซึ่งใกล้วันที่เจ็ดเข้ามาแล้วก็ดีแล้วดีละขอให้เรามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นทุกวันทุกวันนะผมในฐานะของกัลยาณมิตรอยากจะพูดจะคุยอยากจะบอกอยากจะกล่าวในสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกๆท่านในความเป็นกัลยาณมิตร ไม่มีอะไรดีเปียกว่าการให้การให้ไม่ใช่เพียงเพียงแค่ให้สิ่งภายนอกเราอาจจะให้แง่คิดให้วิธีการปฏิบัติในสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกทุกคนผมได้พบได้เห็นได้เจอสิ่งหนึ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนของเราทุกทุกคน ก็คือสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวเองนี่แหละมันเป็นความสุขของผมที่ได้กระทำในสิ่งนี้ทุกครั้งที่ผมทำสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นดูว่าเองนี่จะมีมีความสุขและมีมีแรงและมีกำลังใจ มีความสบายใจมากขึ้นมันกนนระตือรือล้นที่อยากจะทำให้มากมากไม่เบื่อไม่เหนื่อยแม้ว่าสภาพร่างกายดูถ้าจะไม่ค่อยพร้อมอุปสรรคของร่างกายนี่มีมากมันมีข้อจำกัดเยอะแต่ผมไม่ได้สนใจกับเรื่องนั้นเลยผมจะมองข้ามมองข้ามอุปสรรคต่างๆท่าน่าร่างกายก็ดี หรือสิ่งอื่นที่เป็นภายนอกที่มาลุมเราผมจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแต่หันมาสนใจกับคุณค่าและคุณประโยชน์ในสิ่งที่ผมจะทําเราทําสิ่งที่ดีที่สุดไปให้ในชีวิตเราเราไม่เคยหวังผลในสิ่งที่เราทําเราคิดว่าเราทําให้ทําให้ไม่ได้ทําเอา เราทำแบบไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้้าดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนใจที่คิดว่าทำให้ไม่ได้ทำเอามันจึงมีความสุขสนุกทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่นี้สาหรับเราที่นี้นี่ถ้ า, าว่าเราจะทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีที่เป็นประโยชน์ ถ้าจะทำให้มีความสุขเราต้องมองข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเสียบ้างเราจะทำาถึงนั่นอย่างมีความสุขและสนุกในการการะทำอยากจะทำบ่อยๆและทาให้มากขึ้นด้วยยกตัวอย่างในที่นี้นี่ในกลุ่มนักปฏิบัติและกลุ่มที่เข้ามาร่วมกันในวันนี้หรือที่นี่ก็าตามจะมีพวก จิตอาสาพวกอาสาสมัครเนี่ยผมเรียกวพวกจิตอาสาจิตอาสาทำงานในส่วนเนี้ยทำส่วนที่มีคุณค่ามีประโยชน์แต่ถ้าทำแบบไม่คาดหวังผลว่าจะได้อะไรหรือมีอุปสรรคอะไรต่างๆคนอื่นจะมองเราอย่างไรพูดคุยกับเราอย่างไรหรือไม่พอใจเราอย่างไร ถ้าเรามองข้ามส่วนนั้นซะจิตอาสาที่ไปพยายามทำในสิ่งที่ควรจะทำที่มีประโยชน์เนี่ยคนที่ทำงานจิตอาสาเนี่ยจะมีความสุขมากนักปฏิบัติทุกท่านผู้ที่มีความรู้สึกตัวเคยสังเก ต, ตจิตใจเราเองบ้างไหมนักเป็นบัตดต้องอย่ามองข้ามจิตใจตัวเอง พยายามหมั่นสังเกตสังเกตอยู่เสมอจุดจุดหนึ่งที่อยากให้เราสังเกตก็คือจิตที่คิดอยากจะช่วยเขาเนี่ยเคยสังเกตจิตที่คิดอยากจะช่วยเขากับจิตที่คิดอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขามันต่างกันอย่างไร ใจที่คิดอยกจะช่วยเหลือเขาเนี่ยมันเป็นจิตที่มีคุณธรรมมันมีความเมตตาอยู่ในจิตใจเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมันจะมีปิติแม้ว่าเรายังไม่ได้ช่วยเหลือเขาตามแม้แต่ความคิดอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันเราจะรู้ว่าจิตตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความสุขมากมันจะเบาผ่อนคลาย ในทางตรงข้ามใครสังเกตจิตเลาว่าจิตที่คิดอยากจะเรียกร้องอะไรจากเขาใหญ่เขามาช่วยเหลือเราใหญ่เขามาเห็นใจเราใหญ่เขามารักเราจิตที่เรียกร้องแบบนี้จะเห็นว่ามันมีความรู้สึนนกว่ามันหนักมากมันหนักมากแล้วมันกระวนกระวายมันเหน็ดเหนื่อยมันเป็นความทุกข์ เคยสังเกตเห็นไหมมันเป็นการดูจิตของตัวเองจากชีวิตจิตนี่แหละเนื้อหาการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยให้เรามาสังเกตอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องสังเกตเรื่องของจิตเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติที่เป็นชีวิตจริงซึ่งมีได้ในคนทุกคนคนที่นี่ น, นี่สิ่หนึ่งที่น่าสารรเสริญน่าชื่นชมยินดี คนที่นี่ชอบให้ชอบแบ่งปันชอบให้ชอบแบ่งปันที่ห้องพักของผมเนี่ยจะมีคนที่นี่แหละเข้าคิวกันเอาผลไม้ไปให้เอาอาหารไปให้เอายาไปให้ไปคอยช่วยเหลือผมเนี่ยจนที่ห้องนอนของผมเนี่ย เต็ไมไปด้วยอาหารเต็ไมไปด้วยยาผมว่าผมจะตั้งเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะแสดงว่าจิตตอนนั้นเป็นจิตที่ดีมากนะคนที่ให้เขามีความสุขกับการให้ให้แต่ของที่ให้ไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเอาไวา้เราก็แบ่งปันให้คนอื่นต่อไปมาถวายพระคุณเจ้าบ้างแบ่งปันคนที่เข้ามาให้เรา คนโน้นมให้อย่างนี้เราก็เอาของสิ่งนี้ให้เขาคืนกลับเขาให้เราเขาก็มีความสุขเราให้คืนเราก็มีความสุขเราก็สุขด้วยกันคนที่ชอบให้ชอบแบ่งปันเราลองสังเกตดูจิตตัวนั้นสิจิตที่คิดจะให้คิดจะแบ่งปัน กับจิตที่คิดอยากจะได้จิตที่คิดจะให้อีกยากกับจิตที่คิดอยากจะได้เนี่ยมันต่างกันอย่างไรเราสังเกตดูสิจิตที่คิดอยากจะให้เนี่ยจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็มีความสดชื่นเบิกบานมีปิติซึ่งต่างกว่าจิตที่คิดอยากจะได้มันมีความร้อนรุม่ม กระวนกระวายใจมันมีความทุกข์ซึ่งมันต่างกันลิบลับเีเดียวคนที่ยังหาความสุขในชีวิตไม่ได้คนที่มองตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขทีลองทาวิธีที่ผมแนะนำเลยองให้เราพยายามให้เขาและพยายามช่วยเหลือเขาฝึกที่จะเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับฝึกที่จะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเขาบ้ากว่าการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเขาเราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะมีความสุขมากยิขึ้นคนที่ไม่เคยให้อารองให้ดูคนที่ไม่เคยช่วยเหลือใครอารองช่วยเหลือเ็าดูแล้วจะรู้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่เราทา การปฏิบัติธรรมของเราการทาความรู้สึกตัวของเราที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยก็เพื่อให้รู้ทันจิตใจของเราเองจะเิญสติทำความรู้สึกตัวเพื่อให้รู้ทันใจของเรานี่เองเพราะความสุขความทุกข์ของเรานั้นไม่ได้ขึ้นกับสิ่งภายนอกเลยสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองถ้าเราวางใจไว้ถูกต้อง เราก็มีความสุขถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องเราก็จะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตนี้เนี่ยการทำความรู้สุกตัวเนี่ยทำไมเราต้องทำให้มากๆทำไมเราต้องรู้สึกตัวบ่อยๆทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวทุกครั้งที่ใจเราคิดทำไมเราต้องคอยรู้สึกคอยรู้สึกรู้ให้ทันเนี่ยก็เพื่อรู้ให้ทันจิตใจของเรานี่เอง ใครมีความรู้สึกตัวมากถ้าว่าเรามีความรู้สึกตัวมากๆเราจะรู้เท่าทันความคิดตัวเองได้มากเมื่อรู้เท่าทันจิตใจเรามากเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราเองได้เราจะไม่มีความทุกข์ต้นตอของความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันดูที่จิตใจของเราเองดูที่ความคิดของเราเนี่ยหละต้นตอของความสุขความทุกข์ มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความคิดของเราเนี่แหละเพราะความคิดเนี่ยมันสร้างปัญหากับชีวิตรเราด้วยแล้วนะามัตรงข้ามมันก็สร้างปัญญาให้กับเราด้วยเหมือนกันขอใหท้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่ามีความเข้าใจไว้ว่าเราไม่ได้ห้ามความคิ ด, เ ร, ด, คคดเราไม่ได้รังเกียจความคิดเราต้องใช้ความคิด เพื่อการดำเนินชีวิตทุกทุกคนเราไม่ได้ห้ามเราไม่ได้รังเกียจแต่เราให้รู้ทันเท่านั้นเมื่อเรามีสติมีความรู้สึกตัวเราก็จะใช้ความคิดนในทางที่ถูกต้องแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราขาดสติเราไม่มีความรู้ตัวความคิดเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันตกต่ง เพราะความคิดเนี่ยมันเอานาเอากิเลสมาสู่จิตใจเราเอาความโรคความโกรธความหลงมาสู่ใจเราให้เป็นทุกข์ความคิดที่ผมจะว่าต่อไปนี้นี่ถ้าใครมีก็อให้ยักหน้าถ้าใครไม่มีก็สายหน้านะยังไม่ทันถามเลยยังไม่ทันบอกรล <laughs> ความรักคิดรักมีไหมที่จะทำคิดที่จะรักคิดโกรธคิดเกลียด <laughs> วความกลัวความมิตตกกังวลความหวาดระแวงความอิจฉาสยาความหึงหวงความน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอไม่ใจใครเคยนอนไม่หลับเพราะความคิดบ้างใครเคยผูกความคิด กรซิบให้ใจเราเนี่ยไปฆ่าตัวตายบ้างใครเคยคิดว่าเราเนี่ยคิดจนเหมือนคนจะเป็นบ้าบ้างคนที่เป็นโรคติบโรคประสาทคนที่นอนไม่หลับคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันเกิดจากความคิดท่นั้นแหละเกิดจากความคิดของเราเองไม่มีใครทำให้เราเลย ภัยร้ายของชีวิตภัยร้ายของชีวิตอยู่ที่ความคิดของเราเองทท้งนั้นแหละเราจึงต้องมาเจริญสติจเจริญสติให้มากมากทความทิตสตัวให้มากมากก็เพื่อให้รู้ทันความคิดเหล่านี้แหละการฝึกเจริญสติใหม่ๆเนี่ยฝึกใหม่ๆผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจความคิด อย่าเพิ่ไงไปยุ่งกับความคิดเพราะจุดอ่อนของใจเราเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปสนใจทำหม่รเราต้องฝึกมีสติในการรู้กายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวไปก่อนให้มันชนานาญให้มีความคล่องแคล่วคล่องตัวซะก่อนให้มีกําลังจิตที่ดีซะก่อนเป็นการเตรียมพร้อมจิตใจของเราให้เข้มแข็ง ออกําลังทางจิตซะก่อนบอริหารจิตซก่อนจิตเราจะได้มีกําลังคนที่จิตมีกําลังแล้วเนี่ยเหมือนคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สามารถไปยกของหนักได้ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยเรายกของหนักไม่ได้การมีสติรู้การเคลื่อนไหวของกายสติมันเกิดได้บ่อย สติมันเกิดได้ง่ายและสติเกิดได้นานการมีสติรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อเวลาจิตมันเผลอไปล้วก็สามารถกลับได้กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวได้ง่ายการมีสติรู้กายจนชํานาญรู้กายที่มันเคลื่อนไหวจนชํานาญมันช่วยทําให้จิตเนี่ยมันไม่ไปหมกมุ่นกับความคิดมันคุมกําเนิดความคิด มันทำให้ความคิดเนี่ยมันลดน้อยลงทางด้านจิตใจได้เมื่อมีสติรู้กายตออย่อเนื่องกันเป็นนานๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญานะมันจะรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจมากยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดการมีสติรู้กายเคลื่อนไหวมันจะเกิดปัญญามันจะสามารถแยกกายแยกจ แยกกายแยกจิตที่ในภาษาธรรมะเรียกว่าแยกรูปแยกน้ำนั่นแหละนี่มันเป็นปัญญาขัาน้นต้นมันเริ่มมีปัญญาขัาน้นต้นเมื่อเราเจริญสติบ่อยๆมันจะเริ่มเกิดปัญญาแล้วนะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นี่เมื่อฟังแล้วเราลองมาสังเกต ด, ดูตัวเองสิเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกบ้างไหม ใครที่เตรียมจะหลับก็เตรียมตื่นให้ดีนะเราเราจะพาจิตใจเข้าสู่ยานปัญญานะหากว่ามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยเราไปเห็นไหมส่วนที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวๆเดินจงกรมยกมือข้าสร้างจังหวะเคลื่อนไหวเนี่ยอันนั้นคือส่วนของร่างกายผู้ที่รู้ในกายกําลังเคลื่อนไหวนั้นมันเป็นส่วนของจิตใจ เห็นไหมมันเป็นคนละส่วนกันมันเป็นคนละอันกันระหว่างกายที่มันเคลื่อนไหวกับจิตใจที่รู้สติปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่แยกระหว่างกายระหว่างจิตธรรมชาติของกายเนี่ยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันจะไม่รู้อะไรเลยมันไม่รู้อะไรเลยแต่ที่มันรู้อะไรได้นั้นเพราะว่าจิตจิตเนี่ย มันเป็นผู้รู้กายไม่รู้อะไรแล้วก็กายเนี่ยเคลื่อนไหวเองไม่ได้แต่จิตเนี่ยสั่งให้กายมันเคลื่อนไหวจะรู้ว่าพอจะเข้าใจไหมถ้าใครเข้าใจยักหน้าสิโอไหนใครงงเลยใครเวลางงไม่เข้าใจยักหน้าสิไม่เป็นไรนะ ถ้างงก็รู้ว่างงเนี่ยเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้อ่ดต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงธรรมชาติของกายที่ไม่รู้อะไรอันนี้อาการของร่างกายที่มันจะแสดงออกกับกายของคนทุกคนก็มีอาการปวดเมือ่อยหิวอยากถ่ายหนักถ่ายเบาร้อนเยน็น มันมีไหมในกายของเราสติรู้ทันไหมให้รู้เถอะว่านั่นเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับอาการของกายที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นให้เราเป็นเพียงแค่ผู้ที่ดูที่เห็นมันแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือมันโดยที่ใจเราเนี่ยจะไม่เป็นทุกข์เลยนะถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับร่างกายที่มันเป็นอย่างเนี้ย ด้วยสติแต่เราจะไม่เป็นทุกข์เลยเนี่มันเป็นทุกข์ของร่างกายไม่ใช่ทุกข์ของเราเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้ดูเป็นหมอเป็นพยาบาลที่จะช่วยเหลือร่างกายอย่างมีสติแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องของร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแะมีความปวดความเมื่อยเนี่ยพวกนี้มันเกิดขึ้นกับการทุกคนไหนใครที่ไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยบ้าง เรามีหัวแล้วก็ปวดหัวเรามีหลังแล้วก็ปวดหลังเรามีเขาแล้วก็ปวดเขาแต่ผมเรงมีเขาแต่ผมไม่ปวดเขาเพราะผมไม่มีความรู้สึกใครไม่อยากปวดเขาเอาไหมเป็นอย่างผมแลกกันเพราะนั้นเวลาปวดเขาอย่าเป็นทุกข์นะบอกดีเขายังมีเขาให้ปวดอาจารย์กำพลมีเขาแต่ไม่ปวดเรามีอะไรเราก็เจ็บปวดในส่วนนั้นดีนะเราไม่มีหาง ถ้าเรามีหางเราต้องปวดหางแน่นอนเลยพูดถึงเรื่องความทุกข์ร่างกายอย่างยิ้มกันอีกนี่แสดงว่ากายมันทุกแต่ใจเราไม่ทุกแล้วนะเพราะเราเข้าใจมันนี่เรามันเป็นยางปัญญาเรายอมรับมันได้เตรียมไว้เถิดว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วฝึกสติให้รู้ทานเอาไวา้ต่อไปจะเราเราจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นร่างกายมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเรามันคับบัญชามันไม่ได้หรอกไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากเก็บมันก็ต้องเก็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายเรามีสติปัญญาลูธทันจ้าแล้วก็รู้จักปล่อยจักวางมันอย่าไปยึดมันถึงมันอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นจนเกินไปมีสติปัญญาเอาร่างกายมาใช้เป็นประโยชน์อย่าไปเบียดเบียนใครทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็ตัวเราด้วยอันนี้เรื่องของจิตใจบ้าน จิตใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่รู้จิตใจเป็นธรรมชาติที่รู้รู้เรื่องทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยเวลาเราทานอาหารรสชาติของอาหารเนี่ยร่างกายมันไม่รู้หรอกแต่ใจเนี่ยเป็นผู้รู้ธรรมชาติของใจเนี่ยคือรู้ตอนนี้อาการของใจใจกับจิตเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกัน อาการของใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือความคิดใจเมียที่รู้กับคิดรู้กับคิดเนี่ยมันไม่เกิดพร้อมกันถ้ามีรู้มันก็ไม่มีคิดถ้ามีคิดมันก็ไม่มีรู้รู้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งทีละขนามันเหมือนฝ่ามือของเราแหละ ฝ่ามือของเราเนี่ยมีล้างมือก็เรื่องของคิดฝ่ามือเป็นเรื่องของรู้ด้านหลายด้านหนึ่งแต่อยู่ในมือเดียวกันเราจึงพัฒนาจิตใจโดยการให้มันรู้สึกมากๆให้มันรู้สึกบ่อยๆมันจะได้รู้เท่าทันในความคิดหลวงพ่อเทียนท่านกล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์ เพราะไม่เห็นความคิดพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเราก็เลยปล่อยจิตปล่อยใจของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความคิดมันก็คิดได้ทั้งวันทั้งคืนกลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดคิดในตอนกลางวันเนี่ยเขาเรียกว่าความฝันความฝันก็คือความคิดบางคนคิดมากกลางคืนก็ฝันมาก บางคนเนี่ยกลางวันคิดมากกลางคืนก็ต้องฝันมากตามธรรมดาในตอนกลางวันเนี่ยเราคิดหมกมุ่นเรื่องอะไรเราก็มักจะเอาความคิดเหล่านั้นเนี่ยไปฝันในตอนกลางคืนกลางวันเราคิดรักใครชอบใครเราก็จะเก็บเอาความคิดนั้นไปฝันในตอนกลางคืนเกิดความรักในตอนกลางคืนด้วยเหมือนกันกลางวันเราโกรธใครเราไม่ชอบใครกลางคืนเราก็ไปคิด ไล่ตามค่าเขาทั้งคืนก็มีเพราะจิตใ จ, จเราเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่ความคิดครับอยู่ในความคิดโดยไม่มีความรู้สึกตัวแต่มันก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่แปลกที่ว่ากลางวันเวลาเรากินมากๆอิ่มมากๆกลางคืนเราก็ฝันมากเหมือนกันนะเนี่แหละเราต้องเน ห, น ห, นหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายใจเป็นทุกข์ใจเพราะความคิดเหล่า น, นี้แหละ หลวงเทียนท่านบอกว่าถ้าอยากจะออกจากความคิดต้องเจริญสติให้มากๆการเจริญสติที่จะดูความคิดเนี่ยเราอย่าดูความคิดตรงๆเรามารู้สึกตัวอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายไปก่อนให้มีสติรู้กายเป็นฐานไปก่อนประเดี๋ยวความคิดมันก็จะมาเข้าแถวให้เราดูเองไม่ต้องไปตามดูมันหรอก เวลาขณะที่กำลังจิตสติรู้กายเคลื่อนไหวตอนเมื่อไปนานๆเวลามันเกิดความคิดเราอย่าไปสนใจแล้วก็รู้สึกตัวกับที่กายเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยแค่แค่ขั้นต้นเนี่ยถ้าเป็นการตัดกาลังความคิดแล้วพอตัดกำลังความคิดแล้วโ ด, วดวยการมารู้สึกตัวที่กายเมื่อจิตมันไม่คิดเราก็มารู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวก็ไว้เมื่อจิตมันคิด ก็ให้รู้ทันและก็ทิ้งไปเลยและก็มาเริ่มต้นรู้ตัววิีการเคลื่อนไหวของกายต่อไป mm hmm. เมื่อจิตมันคิดก็ให้รู้ทันและก็ทิ้งมันโดยการปล่อยให้มันผ่านไปและก็มารู้กายเคลื่อนไหวต่อไปเราทําอย่างนี้เรื่อยๆ mm hmm. บ่อยๆทีนี้เวลาจิตมันคิดเรามิสติรู้ mm hmm. ความคิดมันจะหยุดความคิดจะหยุดทํางานคือมันดับหายไปเลย พอความคิดหยุดทางานจิตแล้วก็จะเป็นปกติมีความผ่องใสเพราะว่าความคิดในมันก็มีเที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่สามารถบังคับบัญชาความคิดได้หรอกเราอยากแค่มันคิดดีมันก็คิดไม่ดีเราอยากให้ความคิดมันดับไปมันก็ไม่ดับและเราเรารู้เท่าทำท่านเองความคิดมันก็จะดับจิตใจเราก็เหมือนกันจิตเราเนี่ย มันก็มีเที่ยงเราบังคับบัญชามันไม่ได้เราอยากจะมีสติทั้งวันมันก็ไม่แน่อยากจะมีสติบ่อยๆมันก็ไม่ได้บางทีจิตมันก็รู้ทันบางทีจิตมันก็รู้ไม่ทันแต่ว่าจิตนี้มันก็มีเที่ยงเนี่ยเรามีสติมีปัญญาเนี่ยเห็นสิ่งเหล e ่านี้แล้วเนี่ยรู้ทันรู้ต้องทันเรื่องของกายเลอกของจิตสติปัญญาเป็นผู้ที่รู้ทันและเอาสติปัญญาเนี่ย นำเอากายเอาจิตเนี่ยเอาไปใช้ในการดาเนินชีวิตเราจะมีความสุขเราจะแก้ปัญหาชีวิตได้ความทุกข์มันจะลดน้อยลงไปอย่าไปยึดมั่นติดมั่นมันนะกายกับจิตเนี่ยเรามีสติรู้ทันแล้วแต่เราก็อาศัยสติปัญญานี่แหละใช้กายให้เป็นประโยชน์แล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางมันบ้างให้เราเริ่มต้นในการทาความรู้สึกตัวเริ่มต้นในการทาความรู้สึกตัว รู้สตัวไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราต้องปล่อยวางรู้สุกตัวจนเกิดปัญญาแล้วก็ปล่อยวางการปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้นั้นด้วยสติปัญญามันจะถึงที่สุดถึงความทุกข์การปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งแต่เรารู้เท่าทันแล้วว่ากายกับจิตเนี่ยมันไม่แน่นอนมันขับบัญชามไม่ได้มันต้องแตกทาลายไปนี่คือ มีปัญญาปล่อยวางในการรู้จักมันรู้เท่าทันรู้ความจริงของมันเราจะใช้การใช้จิตไปทำหน้าที่ด้วยสติปัญญาเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตเนี่ยวันนี้เป็นวันที่หแล้วเหมือนกันเราจะมีโอกาสชีวิตเหลืออีกสองวันเท่านั้นเองถ้าว่าสองวันนี้เราจะต้องตายเราจะทำอย่างไรสิ่งภายนอกเราทำอะไรไม่ทันแล้ว จะไปเก็บสมบัติที่ไหนก็ไม่ทันแล้วเราต้องเก็บสมบัติในใจเราเรียกทซั์ภายในซัย์สินเงินทองญาติพี่น้องช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองด้วยการทําความึ่งตัวเพื่อมันเกิดที่พึ่งทางใจใครจะกลับเวลาพี่น้องก่อนไหมวันที่6แล้วปฏิบัติให้เข้มข้นเร่งความเพียรหน่อยเร่งความเพียรอย่า่าไปเคร่งเครียดทําให้มันสนุกอย่าเคร่งเครียด แต่เราเร่งความเพียรให้มากขึ้นหน่อยคนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับมีพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราเองเท่ากับมีพระพุทธเจ้าคอยคุ้มครองดูแลเราอยู่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยต้องกราบขอภัยนะวันนี้ใช้เวลาร่วงเกินมามากเพราะมันมีความสุขมันสนุกกับการที่ทำหน้าที่นี้ <c oughs> ก็ขออวยพรทุกท่านเนี่ยให้สนุกกับการเร่งความเพียรของการ ปฏิบัติต่อไปแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับ